เป็นตัวบุคคลบูชาบุคคลบุคคลก็ชื่อว่าเป็นอามิต h เช่นองพระ ส, มรสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่ อ, อยังทรงพระชนอยู่การประนมมือเวียนรอบก็เป็นการแสดงออกถึงอามิต h บูชาการนำดอกไม้ของหอมทูกเทียนไปสักการะพระองค์ก็เป็นการแสดงออกถึงอามิ t h บูชาแต่เมื่อพระองรองไม่ทรงพระชนอยู่ เราชาวพุทธควรจะแสดงออกถึงความเคารพพระองค์ที่ต้องการจะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นพุทธบูชานั้นคือการปฏิบัติบูชาแล้วปฏิบัติบูชาเนี่ยควรทําอย่างไรจะต้องประดมมือเวียนรอบเวียนเทียนไหมไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องเราไปเดินเวียนรอบโบสถ์เราเข้าใจว่านี่คือการเคารพเป็นพุทธบูชาเราไปเดินเวียนรอบเจดีย์แล้วเข้าใจเป็นพุทธบูชา สิ่งเหล่านั้นยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธบูชาแต่เป็นพุทธบูชาในความรู้สึกของคนคือคนคิดว่านั่นเป็นการสักการะบูชาพระพุทธองค์แต่ในหลักธรรมหลักวินัยได้กล่าวไว้ว่าการการะทาอย่างนั้นไม่ได้ชื่อว่าเป็นพุทธบูชาพองค์ทรงตัดไว้ก่อนจะปฏิบัติพันว่าหากบุคคลใดประสงค์จะสักการะเทล บ, บูชานับถือต ถ, ถาคตบุคคลผู้นั้นพึงเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติตามธรรม การที่บุคคลประพฤติ ท, ทำปฏิบัติตามธรรมทีาตาทาต่ตถาคตได้ทรงสั่งสอนแล้วนั่นแหละโดยชื่อว่าเป็นการบูชาตถ า, าคตอย่างยิ่งทีนี้คําว่าปฏิบัติบูชาเนี่ย ต, ตามคําตถาคตทรงสัง่งสอนทีนี้คําที่ตถาคตาทรงสั่งสอนนั้นคืออะไรคือพระธรรมใช่ไหมแล้วเราจะปฏิบัติบูชาโดยอาศัยพระธรรมเนี่ยปฏิบัติโดยโดยนำคำมาปฏิบัติเนี่ยเราควรจะแสดงออกถึงการบูชาพุทธองค์ ด้วยปฏิบัติบูบชายอย่างไรสสใช่ตื่นเช้าขึ้นมา 1. ่ปารภเรื่องของการให้ทานพระาศาสดาสอนเรื่องการให้ทานใช่ไหมในทาคําสอนพระ อ, องค์บุคคลใดก็ตามได้ปรารภการให้ทานตั้งใจว่าวันนี้แหละเป็นวันที่มีความสำคัญบรราสาร ะ, ะบูชาพระ อ, องค์ทรงสั่งสอนเรื่องกุศผลผลบุญ เราก็ปาราลบเรื่องกุศลผลบุญเริ่มตั้งแต่การให้ทานเป็นระดับแรกนั่นคือบูชาพระ อ, องค์แล้วเข้าใจไหมอันที่สองสมาทานศีล น, นั่นคือการบูชาพระ อ, องค์แล้วเป็นการแสดงออกถึงการบูชาแล้วอันที่สอันที่สฝึกสงบใจมีอารมณ์อะไรก็ตามอันเป็นที่น่ากโกรธเคืองน่าขัดใจน่า ขัดแย้งภายในจิตไม่ไม่สบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยฝึกสงบใจตัวเองไว้เพราเรียกว่าทำให้จิตเป็นสมาธิฝึกอบรมใจรู้ไหมทำไมเราไม่เห็นแน่นอนพระเจ้าบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันหมายถึงการบังคับให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันนั่นเหรอหรือยะงไง ให้มีสติแม้พระองค์จะบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันแต่ในความหมายของพระองค์ไม่ได้ไม่ได้มีความหมายว่าให้เราไปอยู่กับปัจจุบันพระองค์หมายมีความบุ้งหมายที่ว่าอดีตเราสามารถไปทําอะไรกับมันได้ไห ม, ไมไ อ, อนาคตเราไปสามารถไปทําอะไรกับมันได้ไห ม, ไมไเราทําได้แต่เพียงขณะนี้ใช่ไหม ตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้เรากําลังทังขณะทัศนคติในทางพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พวกเราได้เห็นแม้ปัจจุบันนี้ก็ล่วงล่วงไปทุกขณะแต่ถามว่าปัจจุบันมีไหมมีก็คือขณะที่ล่วงนั่นแหละขณะที่ล่วงนี่แหละคือปัจจุบันสิ่งที่ล่วงแล้วเป็นอดีตสิ่งที่ยังไม่เกิดเป็นอนาคตขณะที่กําลังล่วงไปหรือกําลังเป็นไปเนี่ยนี่คือปัจจุบันเพราะฉะนั้นพระองค์ซึ่งจึงทรงตรัสสการนี้ไว้ เพื่อให้เราได้ทราบอะไรรู้ไหมเราไม่เที่ยงไม่ใช่หมายถึงว่าอาดีตอ่ะอดีตชาติเนี่ยหรืออดีตที่ล่วงไปแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่พระองคต้องการให้เราทราบพระพระองค์ทรงตัดพเท ธ, ธกะกัลยาณสูตรนั้นบอกว่าอาดีตล่วงไปแล้วทําอะไรกับมันไม่ได้อนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ทําอะไรกับมันไม่ได้มีแต่ปัจจุบันนี้เท่านั้นเมื่อเราลงมือกับลังกระทําอยู่ในเวลานี้นั่นคือสิ่งที่เราได้กระทําแล้ว แล้วก็สําเร็จประโยช order, น์นําประโยชน์มาสําเร็จในขณะที่เป็นปัจจุบันที่เราได้ทําฉะนั้นเองแต่พระองค์ไม่ได้ให้บอกว่าอยู่กับปัจจุบันทําให้ตัวเองให้เป็นปัจจุบันมันทําไม่ได้หรอกเพราะปัจจุบันมันก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปกําลังล่วงกําลั ง, ล ง, ล ง, ลงดั บ, ด บ, ดบ ian, กําลังดับอยู่ตลอดแต่ไอ้กาลังดับตรงนี้คนไม่เห็นที่มันกําลังดับอยู่ตลอดเวลาคนไม่เห็นเราไม่เห็นนั่นแหละเมื่อเราไม่เห็นเราจึงสําคัญมั่นหมายในความเป็นชีวิตว่าเป็นตน แต่เราเห็นทีเนี้ยถ้าเราเห็นมันจะทำลายความสําคัญมั่นหมายทั้งหมดว่าเป็นตนตัวเนี้ยการฝึกนะเข้าไปเห็นชัดบูชาพุทธเจ้าด้วยทานศีล ส, สมาธิและปัญญานี่คือการแสดงออกถึงพุทธบูชาในวันที่มีความสําคัญทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์เป็นมันอะไร อาสาฬหาบูชาเป็นวันอะไรมีความสําคัญ์อย่างไรถามทุกปีงงกันต้องใช้เวลาคิดกันทุกปีง ง, งงกันอยูอวอว่วันอะไรว่าวันอะไรว่าน้องเพลงเรียนมาอ้าวันอาสาฬหาบูชาเป็นวันที่มีความสัมพันธ์อะไรต้องถามเด็กเด็กจะได้ไม่เสียไม่ไม่รู้สึกว่าเสียหน้าเพราะเด็กตอบผิดก็ได้แต่ถ้าถามผู้ใหญ่นี่ตอบผิดนี่เสียหน้าหมดเลยอ่าน้องเพลง ใส่หัวอย่างนี้เลยนะเอ๊ <c oughs> นั่นหมายถึงเด็กไม่ได้ทราบความสำคัญในทางพุทธศาสนาของตนเองเลยเหรอถ้าเด็กไม่ทราบมาตั้งแต่เด็กแล้วผู้ใหญ่เติบโตมาจะทราบได้ยังไงอาโยมหมอได้ได้ตอบที่ความสำคัญในวันนั้น ยิ่งคิดได้เท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นใครสามารถร ะ, ะลึกถึงตามร ะ, ะลึกถึงความพิเศษของวันวันนี้นึกถึงความสําคัญนึกถึงคุณค่านึกถึงสิ่งที่พงษ์ทรงทรํำพระพุทธเจ้าเรานะเป็นพระศ า, าสดาเราไม่รู้เรื่องของพระพุทธองค์นี่เราเอาพระองค์เป็นศ า, าสดาได้อย่างไงคือพอท่านแต่รู้เพราท่านก็เป็นโปรพันธุคีทั้นห้าอ่านายกุญญากะเป็นบุคคลแรกที่ได้บรรลุอ่ะโยมหมอเปิดประเด็นนะโยมวันได้ต่อประเด็น เอาคนอื่นละโอโหภาษาสระดาเราเป็นบุคคลผู้สุดยอดเราไม่รู้เรื่องของพระองค์เลยเหรอสุดโตง่ต ง, ตงใช่นั่นคือเส้นทางแห่งการปฏิบัติตมันมันเป็นเครื่องแสดงออกให้เราได้ทราบว่าพระผูทศาสนาไม่น่ามีอะไรเรืออแข่งเลยอะไรสุดโต่งพระองค์ก็บอกไว้แล้ว อะไรหย่อนพุน่งก็บอกไว้แล้วอะไรตึงพุ่งบอกอะไรคางสายคางพุ่งก็บอกไปแล้ว ม, มันไม่มีอะไรน่าเครือบแคลงว่าควรจะปฏิบัติยังไงอ <c oughs> ่ะเข้าใจไหมมันไม่ต้องมาตั้งข้อสังเกตหรือตั้งความสงสัยที่ไม่เข้าใจว่าเราจะปฏิบัติยังไงเราจะปฏิบัติยังไงการที่มาตั้งความสงสัยว่าจะปฏิบัติยังไงพระอาจารย์แสดงว่าเราไม่รู้จักเรื่องราวของศาสนาของเราเลย แล้วเป็นความบกพร่องมากที่สุดที่ร้อเปอร์เซนต์เลยอาตมาบอกว่าร้อยเซคนไม่รู้จักทางสายกลางไม่รู้แต่ได้เรียนน่ะเรียนรู้แบบวิชาคือเรียนรู้มาแต่ทางสายกลางที่เป็นจริงๆน่ะเดินกันไม่เป็นถ้าเดินเป็นได้เป็นอริยเจ้าแล้วเข้าใจไหมที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าเลยเดินกันไม่ถูกนั่นแหละเลยไม่ได้เป็นสักที พอทางสายกลางนี่ใครเดินไปถูกปุ๊บเป็นเส้นทางเข้าสู่อริยมรรคอริ ย, รยผลเป็นพระอริยเจ้าได้เห็นพร <Yes. S 1> ะทิพยนกาทางทั้งที่พระองค์ก็ทรงสอนไว้แล้วเป็นปฐมเป็นสูตรแรกแล้วสูตรแรกนี้ทำมาจากกัปตันสูตรผู้เท่าแสดงกี่ครั้ง mm hmm. ปฐมมัทิตาแสดงกี่ครั้งเฮ้ยห้าครั้งแสดงให้พระอัญญาโกณทันยะแสดงให้ปัญญวิคีทั้งห ครั้งแรกเนี่ยอัญญากนเยรรู้ใช่ไหมสแสดงสูตรเดิมเรื่องเดิมเนื้อหาเดิมในปฐมเทศานาเนี่ยครั้งที่สองพะวปะรู้ดวงมีดวงตาเห็นธรรมเดินถูกลพะอัญญาเดินกุนเยรเดินถูกครั้งคนแรกนะพระวปะพัฒยามหานามัสชิยังเดินไม่ถูกเอ๊ะมันยังไงวะทางสายกลางนี้แต่ได้เลมได้เรื่อมใสอยู่ได้ความโปร่งใสว่าธรรมเทศน า, านี้เจี่ยมแจงนะแต่ยังเดินไม่ถูกฟังอีกครั้งที่สองเดินถูกเป็นพระโสดาบัน มีดวงตาเห็นธรรมแต่พัทธิยะมหานามาสัชชิยังเดินไม่ถูกอพระอัญญากรุญญาเดินถูกแล้วทางสายกลางภระวปาเดินถูกแล้วทางสายกลางเรายังเดินไม่ถูกฟังต่อที่นี่โอมก็แสดงอีกธรรมจักรเป็นครั้งที่สามพัทธิยะเดินถูกทีนี่เดินถูกทางเลยวับพัทธิยะมหานามากับอัศชิเดินไม่ถูก โกธัญญวัปปะพัธิยะมหานามะอาสัชิเนี่ยประเจพีทั้งหแสดงครบห้าห้าครั้งเห็นไหมว่าพระอาสาชิจะต้องฟังท ร, รมจาจัดกับประมวลสูตรถึง5ครั้งถึงสามารถเดินถูกเดินทางสายกลางเนี่ยแล้วได้เป็นอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปทีนี้พอพระเจ้าเช็คคำนวณดแล้วว่าทั้ง5นี้มีดวงตาเห็นทำแล้ว กิเลสภายในใจเบาบางโภมก็เลยพี่ณาว่าจะทํำยังไงถึงจะให้ปัญญวิธีทั้งห้าทำอาสะวะให้สิ้นจึงพีรณาให้ทราบว่ า, าต้องแสดงอนัตตลัคนาสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของความเป็นอนัตตาคือสิ่งที่ไม่ใช่ตนโภมก็แสดงอนัตตลัคนาสูตรพอแสดงอนัตตลัคนาสูตรจบปุ๊บแค่ครั้งเดียวรำมาจักนี่้าครั้งอนัตตลัคนาสูตรนี้ครั้งเดียวเพราะอะไรเพราะคนที่ เข้าถึงความเป็นสุดาบั น, นจิตจะเสมอกันแล้วอินทรีย์เสม อ, อกันแล้วใช่ไหมกําลังในจิตกําลังเองขงจะมักเสมอกันแล้วพอฟังอีกข้างหนึ่งปุ๊บพร้อมกันเลยที่นี้ไม่ต้องแสดงซ้าย้าซ้ำซ้ย้ำย้ำทีนี้พวกเราอ่ะกี่ข้างแล้วโอ้โหนี่คือเอยยังเดินกันไม่ถูกนะเอ๊ยังเดินกันไม่ถูกอยู่นี่ เอ๊ยยังเดินเดินยังไงเดินเดินทางสายกลางเดินยังไงเดินไม่ถูก <Summer. S 2> นี่มีความสำคัญมากอาสารหะบูชาจะมีความสำคัญอย่างไรนั้นอาตมาว่าไม่สำคัญเท่าไหร่มันสำคัญอยู่ที่ว่าเราได้รับประโยชน์อะไรในวั น, นวันนี้เราได้รับประโยชน์อะไรในวันที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาเราได้รับประโยชน์อะไรในวันที่มีผู้บรรลุธรรม เราได้รับประโยชน์อะไรในวันที่มีพระรัตนตรยครบสามเราได้รับประโยชน์อะไรในวันที่พระองค์ทรงได้ประกาศทำไว้ท่ามกลางเทวดาและมนุษย์เพราะในขณะที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมะจักนั้นไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่า น, นั้นที่ฟังเทวดาก็รับฟังด้วยความสำคัญคือว่าเราได้ประโยชน์อะไร ไม่ได้แค่มาทรงจําว่าออพระองค์ทรงสแสดงธรรมเทศนาพระอัญญากรทันยเดลบรรลุเป็นพระสงค์องค์แรกในโลกเกิดพระรัตนตาตครบสามเป็นวันที่พระองค์ทรงประกาศสัจธรรมหรือจะเรียกว่าเป็นวันแห่งพระธรรมก็ได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงสแสดงพระธรรมก็คงจะไม่มีใครสามารถรับรู้รับทราบสิ่งที่เรียกว่าสัจจ์ได้ตรงเนี้จะว่าไงประโยชน์ที่พวกเราได้รับคืออะไรบอกว่าได้ทําบุญ แค่นี้แล้วได้ให้ทานแค่นี้แล้วได้ได้ฟังเทศอย่างนี้แล้วหรือประโยชน์อะไร <c oughs> พอหาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแล้วเราไม่ได้รับประโยชน์ถามว่ามันมีคุณนประโยชน์มีคุณค่าอะไรไหมโพลแสดงธรรมให้กับปัญญบุคคลทั้งห้าหากพระัญญกุลทยัะไม่รู้ธรรมะเลยพระพุทธศาสะนาะ ส, สามารถปฏิสถานในโลกมนุษย์ได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ศา ส, ะสะนาอื่นเขามีประฏิสถานอยู่ แล้วก็มีคนศรัทธาเลื่อมใสนับถือแต่ศาสนาของพระพุทธองค์ที่เป็นสัจจะเนี่ยเป็นความจริงเนี่ยหากไม่เกิดประโยชน์ในตัวคนมันก็ไม่สามารถที่จะตั้งศาสนาไว้ในโลกมนุษย์นี้ได้พอพระองค์ไม่ได้ตั้งศาสนาเป็นลักษณะของรูปแบบไม่ได้ตั้งศาสนาโดยลักษณะเป็นลัทธิไม่ได้ตั้งศาสนาโดยลักษณะเป็นกระแสนิยม ที่อยากจะให้คนมาเคารพสักการะนับถือและเป็นกระแสดึงความเชื่อของคนให้ดําเนินไปสู่ความงมงายธรรมะของพระองค์แม้จะเป็นสัจจะแค่ไหนก็ตามหากเราไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะนั้นมันก็จะนําไปสู่ความงมงายเพราะฉะนั้นความสําคัญของวันอาสาระาบูชาคือความสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องได้รับประโยชน์ จากธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะปฐ ม, ปรมธรรมธรรมเทศนานั้นจะต้องเป็นหลักใหญ่ใจความในการดำเนินจิตของชาวพุทธเราอย่างถูกต้องที่แท้จริงบางคนก็บอกว่าก็ค้างพุทธการบางคนเขาก็ประกาศตนเองเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาแล้วไม่ได้เข้าสู่อริยมรรคอริยผล ถามว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้เดินทางสายกลางหรือเปล่าเพราะถ้าต้องเดินทางสายกลางเพื่อจะเป็นพระอริยเจ้าแต่ผู้ที่ไม่ได้เดินไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแสดงว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เช่นชาวบ้านทั้งหลายที่ได้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยเขาก็เลื่อมใสว่าพราะพระุทธ เ, เจ้าเป็นผู้ตรัสรู้จริงธรรมของพระองค์เป็นสัจธรรมจริงพรอสมได้ประพฤติปฏิบัติแล้วน่าเลื่อมใส เพราะการประพฤติปฏิบัติของสงเหล่านั้นเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ยากในความรู้สึกของชาวบ้านเราผู้เป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเราไม่สามารถทําได้เราจึงเป็นผู้เลื่อมใสพระสงฆ์ผู้ประพฤติได้อย่างนั้นอย่างเงี้ยเพราะเป็นสิ่งที่ฝื้นต่อความอยากของตัวเราเราจึงเลื่อมใสท่านเหล่านั้นเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเลื่อมใสธรรมของพระองค์เราก็เลื่อมใสสงประพฤติตามธรรมพอเราตั้งความเลื่อมใสอย่างนี้จิตเราเป็นทางสายกลางหรือยัง เ ป, เป็นหรือยังเป็นบงคนบอกเป็นบงคนไม่เป็นเราก็ไม่ดูว่าสุดโตงสุดโต่งนั้นคืออะไรหนึ่งอัตตะกิละมะามัทนุโยโกโ อ, อัตตะกิละมะามัทธนุโยโกโนี่คือการประพฤติตนเองประกอบตนเองพัวพันอยู่กับการบําเพญตัวเองให้ลําบากปเปล่าอัตตะกิละมะามัทธ์คือทําให้ตัวเองลาบากปเปล่า นี่คือสุโต่งอันแรกสุดโต่งอันที่2คือการมัศุขันธิการนุโยโกการประพฤตินตนเองประกอบตัวเองให้พัวพันอยู่กับการมัศุวิธีชีวิตชาวบ้านจะมีอสองลักษณะ1ทําตัวเองให้ลําบากเปล่าซองประพฤติตัวเองประกอบตัวเองให้พัวพันอยู่การมัศุนี่คือวิธีชีวิตชาวบ้านแต่ว่าชาวบ้านไม่สามารถอยู่กับทางสายกางได้ทําตัวเองให้ลำบากเปล่ายังไง รู้ไหมทําตัวเองให้ลําบากเปล่าอย่างไรชินพวกโมจีค่าที่เขเป็นระบคลีกคีกไม่ไม่ไ ม, ไมเราพูดถึงระดับชาวบ้านเราไม่ได้พูดถึงนักบำเพ็ญตระบะดินล่นสแสวงหาดิ้นลนแสวงหาคนา้นควยาซับสินให้ได้มาด้วยความเหนื่อยยากหรือใครสแสวงหามาด้วยความสูงความสบายบ้างทําการงานแล้วมีความสูงความสบายไม่เคยเครียดเลยมีใครบ้างลําบากใช่ไหมลำบากกันทั่วหน้ากันทุกคนเลยแหละลําบาก ลำบากเื่ออะไรเลี้ยงชีวิตชีวิตต้องแก่เก็บตายไหมเราเลี้ยงความแก่ความเก็บความตายในตัวเราใช่ไหมลำบากเปล่าไหมเพราะสักวันหนึ่งต้องทิ้งมันไปแต่ทีนี้เราเหนื่อยยากกับการทาการงานมันเป็นสูตรตัวอันนึงแล้วลำบากเปล่าแล้วนะเพื่อเลี้ยงกายที่มันจะต้องรอวันตายเนี่ยที่จะต้องตายไปสักวันนึ่ อันนี้เราพูดในแง่ของการทำการงานนั้นเรายังไม่พูดถึงแง่ของบุญบุญนี่แน่นอนว่าอันนี้คือประโยชน์นะทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเราทําการบงงานมาด้วยความเหนื่อยยากสังหาการมาสุขเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาความเหนื่อยยากของเราน่ยความสนุกสนานความเพลิดเพลินความพึงพอใจความที่มันได้รับความสบายความผ่อนคลายความบันเทิงความอะไรต่างๆที่เราจะทําให้เรามีความสุขได้ในปัจจุบันนี้ ใช่ไหมเป็นกรร ม, มสุขชีวิตของมนุษย์ไม่เคยอยู่ในทางสายกางแต่ที่นี้ชาวบ้านมีการประพฤติตัวเองให้ลำบากเปลา่าและปร ะ, ประกอบตัวเองให้พัวพันอยู่กัรร ม, มสุขอย่างนี้ไปจนตลอดชีวิตประโยชน์ของชีวิตมนุษย์ไม่มีเมื่อชีวิตมนุษย์มีอยู่ทางสุดตรงสองทางเนี้ยแล้วชีวิตนั้นได้มันเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์ แล้วปารบการทําบุญลําบากเปล่าไหมทีนี้ ไ, ได้ทําบุญแล้วไม่ลําบากเปล่าแล้วนะมแม้จะทําการงานด้วยความลําบากก็ตามแม้จะใช้ชีวิตด้วยการมาสุขอยู่ก็ตามแต่ทําบุญคือให้ทานรักษาศีลทําสมาธิเจริญปัญญามันไม่ลําบากเปล่าแล้วเพราะเราได้อาศัยความเป็นอยู่ของชีวิตที่แม้จะสู่ตรงอยู่ก็จริงแต่เราได้เอามาสร้างประโยชน์ทางศาสนาไว้ในตัวเรา มันเป็นการเดินทางสายการแต่เราต้องเข้าใจนะมันจะเป็นทางสายการด้วยต้องประกอบด้วยส ม, มาธิฐินะเพราะคามัชชิมาปฏิปทานั้นเริ่มต้นด้วยสัมมาดิธิใช่ไหมสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจจะสัมมากรรมันตาอาชีวะวายามสะสติส ม, มาธิหมายถึงว่าความเห็นที่ถูกต้องต้องเกิดขึ้นมาก่อนถึงจะเป็นทางสายกลางไม่ใช่ว่าทําบุญนะทำบุญแต่มีมิจฉาทิฏฐิอยู่เป็นทางสายการไหม ไม่เป็นทำสมาธิแต่ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่เป็นทางสายกลางไหมไม่เป็นจเจริญปัญญาแต่ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่เป็นทางสายกลางไหม เ, เช่นแม้แต่บอกว่ า, าให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเราเลยไปสร้างภาวะปัจจุบันขึ้นมาภายในตนเราไปสร้างภาวะปัจจุบันขึ้นมาสร้างยังไงรู้ไหมเข <im it> าบอกให้อยู่กับปัจจุบันทำยังไงนั่งก็รู้ว่านั่งใช่ไหมแล้วก็สร้างความรู้ในระปัจจุบันนี้ขึ้นมา ให้รับรู้ขึ้นมาแล้วเราก็ไปยึดภาว่าเห็งปัจจุบันนั้นไปเป็นเครื่องอยู่เข้าใจไหม<บ rika>แล้วให้แล้วแล้วอยากให้พาว่าปัจจุบันนั้นคงอยู่ตลอดไปแล้วพยายามบังคับให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันอย่างนั้นจะเป็นอิรยาบทไหนก็ตามเคลื่อนไหวบังคับพห้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันไปนเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเืยๆืยๆ <musste your S 1> นี่เป็นมิจฉาทิฐิเข้าใจไหม เขาบอกนะ้ออาจารย์บอกเป็นวิชาทิถีได้ยังไงก็การมีสติในปัจจุบันภายในตนเองก็ทําให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันก็ได้รับความรู้สึกตัวเองเข้าใจไหมจิตใจไม่ไปในอดีตไปในอนาคตมันอยู่กับตัวเราอยู่การเคลื่อนไหวอัตมาอยากจะบอกว่าทิศทางของศาสนานั้นไม่ได้สอนให้พวกเราบังคับตัวเราให้อยู่กับตัวเราแต่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรารู้จักตัวเราตามความเป็นจริง การที่พระองค์ทรงสอนให้พวกเรารู้รรจักตัวเราตามความจริงคือให้เห็นว่าขณะแห่งชีวิตของเราเนี่ยที่เป็นอยู่ในเวลาเนี่ยที่เป็นเรียกว่าปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยแค่แค่ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาพกายกับจิตแต่ความเห็นประเภทเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปเห็นการที่พระองค์ให้เห็นปัจจุบันหรือว่าให้อยู่กับปัจจุบันหมายถึงว่าให้อยู่กับขณะแห่งการเกิดและการดับ ของสังขารในชีวิตเราเมื่อเราไม่สามารถเข้าไปเห็นได้เพราะสมาธิกําหนดมาให้เห็นเมื่อเราไม่เข้าไปเห็นได้เนี่ยมันก็ยังเป็นทางสายกลางไม่ได้การที่เราเข้าไปเห็นขณะแห่งการดับเกิดดับเกิดดับในชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยมันถึงจะเป็นสามาธิ ถ, ถามว่าในความหมายของอาตมาหรือสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกเนี่ยให้เห็นอะไรให้เห็นอย่างไรมันถึงจะเป็นการเห็นการเกิดการดับ ในขณะปัจจุบันเห็นยังไงเห็นทุกเห็นอะไรเห็นเหตุให้เกิดทุกเห็นอะไรเห็นความดับไปของทุกเห็นอะไรเห็นมัคคือเห็นทางที่จะดับทุกนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้แต่พวกเราไม่ค่อยนํามาประพฤติปฏิบัติ ทางสายกลางคือไม่ได้ให้ไปเห็นอะไรเห็นเห็นเช่นกายนั่งก็เห็นการนั่งกายยืนก็เห็นการการยืนกายเคลื่อนไหวก้าวเดินก็เห็นการเคลื่อนไหวก้าวเดินไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือไปยกให้เห็นการเคลื่อนไหวอย่างนั้นไม่ใช่นะเห็นทุกในขณะเนี้เห็นทุกในตัวเราไหมเห็นยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยเปลี่ยนท่า หายใจเข้าหายใจออกเป็นความสุขหรือความทุกข์แต่มันไม่ได้ทุกข์มากใช่ไหมเพราะมันยังหายใจได้อยู่ใช่ไหมแต่ถ้าหายใจไม่ได้ล่ะาตายทุกจนตายสแสดงว่า ก, กิริยาเห็นของการหายใจเป็นกิริยาออกแสดงออกถึงความทุกข์ใช่ไหมสภาพของการหายใจเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความทุกข์ใช่ไหมแต่เราไม่ได้มองว่าเป็นความทุกข์ การที <formation jin inh aling> <ken handled kr> ่เราไม่ได you uh ้มองเห็นว่าการหายใจก็เป็นความทุกข์นั่นเองมันจึงปิดบังปัญญาปิดบังความเห็นที่แท้จริงเพราะการหายใจยังเป็นความทุกข์การกินข้าวเป็นความสุขหรือความทุกข์ความทุกข์แต่ถ้าเราเพลิดเพลินกับการกินเราจะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เนี่ยการนอนเป็นความสุขหรือความทุกข์ถ้าให้นอนทุกข์ใช่ไหมการนอนจึงเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตโดยการบรรเทาทุกข์อย่างเนี้ย แต่เราไม่ยอมเห็นความทุกข์ที่มันอาศัยอยู่ภายในความเป็นอยู่อิรยาบถแห่งการยืนนั่ ง, น, งนั่งนอนมันมีความทุกข์อยู่อย่างเงี้ยนั่งอยู่ตลอดเวลาโดยม่เคลื่อนไหวทุกข์ไหมยืยนตลอดเวลาโดยไม่เคลื่อนไหวทุกข์ไหมนอนตลอดเวลาคิดว่านอนแล้วมีความสุขแล้วแหละไม่ต้องกระดุกกระดิกไม่ต้องเคลื่อนไหวง่วงอ่าไม่ใช่ <c oughs> ตาปืนหลายคนเอาฟุตง่วงเดึงหู พะดึงหูตามหลักวิทยาศาสตร์บอกว่าตรงนี้มันจะมีตอมอันหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการตื่นถ้าถ้าดึงแล้วไม่ตื่นก็กดเข้าไปในซอกเนี่ยมันจะมันจะรู้สึกตาตื่นขึ้นมานะเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้เราได้ตื่นตื่นรู้ให้เราเข้าใจการเห็นทุกข์ว่าในตัวเรามีความทุกข์ มันมันจะเป็นเครื่องตอบสนองทางปัญญาให้เราได้รับรู้รับทราบว่าเราอยู่กับสิ่งที่เป็นความทุกข์ใช่ไหมชีวิตเราคือตัวทุกข์ตัวกายกับใจเนี่ยเป็นตัวทุกข์ในขณะบางขณะเราได้รับอารมณ์ที่ไม่น่าปรานาเราไม่ได้รับอารมณ์ที่ไม่น่าพึงพอใจเราได้รับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความต้องการเรามีวอารมณ์บีบคั้นทางใจเราอยากจะทําอีกสิ่งหนึ่งแต่เราไม่ได้ทําตามสิ่งที่เราต้องการอยากอยทําแล้วก็ขัดขืนอยู่ภายในอยู่ภายในของเราในจิตเนี่ย ก็เกิดความทุกข์ใช่ไหมทำไมจิตของเราเวลามันขัดแย้งกับสิ่งอื่นน่ะมันทําไมจะต้องทุกข์มันทําไมไม่สามารถตั้งอยู่ได้โดยสบายสบายมันจะไปทุกข์ทำไมมันทําไมต้องแสดงออกถึงความทุกข์เมื่อขัดแย้งกับสิ่งที่เราไม่พอใจเราเคยตั้งปัญหาอย่างนี้กับตัวจิตไหมมันไปทุกข์ทำไมแล้วทําไมเราต้องดีใจในสิ่งที่เราประสบกับสิ่งที่มันตรงกับความอยากของเรา เราทำไมต้องไปดีใจกับมันไม่รู้ถูกต้องต่อถูกแล้วเพราะความไม่รู้นั่นเอง<า>เอวิชชามันคือรากเงาไม่รู้อะไรรู้ไหมไม่รู้ทุกไม่รู้ว่าจิตก็คือทุกกายก็คือทุกเมื่อกายกับจิตคือทุกสิ่งที่กระทบกายกระทบจิตก็ต้องแสดงออกถึงความทุกข์ บางคนบอกอ้ม่เห็นจะต้องแสดงออกถึงความทุกข์เสมอไปเพราะบางครั้งก็มีความสุขอยู่นะมีสุขกระทบจึงปรากฏว่าเป็นสุขใช่ไหมมีทุกข์กระทบก็ปรากฏว่าเป็นทุกข์ ใ, ในชีวิตของคนอะไรมากระทบจึงเป็นอั น, นั้นการที่มีสิ่งใดมากระทบหรือเข้ามาสัมผัสหรือผ่านเข้ามาในชีวิตเราเราจึงมีความเป็นไปตามอาการของสิ่งนั้นการที่เราไม่สามารถ ทำตัวเราให้มีความสุขได้ตลอดเวลามันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งใดมาสัมผัสเราจึงจะเป็นไปตามสิ่งนั้นสุขมาสัมผัสจึงเป็นสุขทุกมาสัมผัสจึงเป็นทุกการที่เราจะต้องเป็นไปตามอาการสิ่งที่มาสัมผัสอย่างเงี้ยมันชื่อว่าเป็นความสุขอยู่ไหมไม่เราเรานิ่งเงียบกันเพราะเราไม่สามารถลงความเห็นได้ว่าจะเป็นทุกหรือสุขดี หมายถึงว่าเอางี้ดีกว่าเราสามารถเลือกเลือกในสิ่งที่เราสัมผัสได้ไหมว่าเราจะสามารถเราจะขอสัมผัสกับสิ่งที่เป็นสุขอย่างเดียวได้ตลอดไปไม่ได้และเราสามารถเลือกได้ไหมว่าเราจะหลีกเลี่ยงสัมผัสอันเป็นทุกข์ได้ตลอดไม่ได้เราหลีกไม่ได้อาการที่เราไม่สามารถเลือกสัมผัสในสิ่งที่เป็นสุขและไม่สามารถหลีกเลี่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ได้ตลอดไปเนี่ยชื่อว่าเป็นความสุขหรือความทุกข์ เออเริ่มชัดเข้ามาแล้วทีนี้เป็นความทุกข์ชัดเจนพูดออกมาชัดเลยทุกข์แต่เรามองไม่เห็นตรงนี้ใช่ไหม<ว>แต่ตอนนี้เริ่มมองเห็นหรือยังว่าแท้ที่จริงแล้วเราแทบจะพูดง่ายๆว่ามันถ้าเราขาดสติเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเราขาดความรู้เนี่ย อะไรมาสัมผัสก็สิ่งนั้นก็ไปสามารถเป็นภูมิได้ตลอดเวลาแม้แต่สิ่งที่เป็นความสุขก็สามารถสร้างภูมิได้สิ่งที่เป็นความสุขสร้างภูมิได้ยังไงไม่อยากให้ความสุขเสียหายไปอยากเให้สุขตลอดเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมตอนนอนแรก อความง่วงแล้วเราไปนอนเราก็คิดว่านอนนอนแ ร, แรกๆก็มีความสุขอยู่ใช่ไหมความสุขกายสบายใจท้ายแล้วนอนไม่ตื่นล่ะเคยใครเคยบังคับตัวเองนอนท่าเดียวแบบไม่กระดุกกระดิกบ้า ง, งอาตมาเนี่เคยเพื่อเป็นบังคับเพื่อเป็นเครื่องฝึกกับตัวเองไงไหนบอกว่าการนอนมีความสุขเพราะมีอยู่ภาวะหนึ่งมีช่วงหนึ่งอะที่ความขี้เกียจความงำ ไม่อยากจะทำอะไรเลยชั้นเสร็จนอนเอ๊ะนอนนั้นมีความสุขทำไมเราถึงติดการนอนทำไมเราถึงหวยหากับการนอนนึกถึงแต่หมอนที่นอนอย่างเงี้ยมีพระรูปหนึ่งอยู่ที่นี่ตะมาให้ฉายากรรมฐานหมอนขาดนอนซะจนหมอนมันมันแบะออกเป็นสองข้างไอ้ตัวกลางเป็นรุมอ่ะ ก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าชอบนอนขนาดนี้นะนอนท่าเดียวดูตอนนั้นอาตมาทดลองตัวเองมา น, นอนท่าเดียวถ้าหากว่าการนอนมีความสุขจริงนอนโดยไม่ต้องกระดุกกระดิกตอนแรกก็โอ้สุขสบายไว้เสียกับการนอนพอนอนแล้วไม่เปลี่ยนท่าถ้าเปลี่ยนท่าถือว่าผิดกติกาถือว่าเราไม่ได้อยู่กับความสุขที่แท้จริงปรากฏว่าบังคับไม่ให้ตัวเองเปลี่ยนท่า มันเกิดความทุกข์มากภายในร่างกายร่างกายเริ่มเริ่มทนอยู่ไม่ได้เริ่มเกิดอาการเจ็บหรืออาการปวดอาการเกร็งอาการไม่ไม่สบายกายขึ้นมาจะเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ไ ด, ไได้ห้ามเปลี่ยนนี่นะบังคับกันไปเลยห้ามเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนนั้นแสดงว่าการนอนน่ะไม่ได้ความไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอย่าให้กิริยาเหล่านี้หลอกจิตให้จิต ติดหรือเสพอยู่กับความสุขแม้กระทั่งกับการนอนการนอนหากเรายังเอาชนะมันไม่ได้เราจะไปใช้ชนะกิเลส ต, ตัวไหนได้บอกตัวเองอย่างนี้ไงตั้งแต่นั่นมาตั้งสัจจ์แปดค่ําจะไม่นอน15บ่ําจะไม่นอนและกลางวันจะไม่นอนในขณะที่บําเพ็ญภาวนาขณะที่ปฏิบัติกลางวันจะไม่นอนอนาะหารไม่ป่วยจะไม่นอนนอกนั้นเป็นเวลาของการทําความผ้าเพียรแล้วเวลานอนนี่นะ หากนอนแล้วเวล า, าคืนเวลานอนเนี่ยถ้านอนแล้วนอนเมื่อไหร่ก็ตามหากกระดุกกระดิกหรือรู้สึกตัวมาเมื่อไหร่ให้รีบลุกเมื่อนั้นอย่านอนต่อห้ามพลิกตัวแล้วนอนต่อคือขยับตัวปุ๊บลุกทันทีปรากอว่ า, ามันได้แค่หนึ่งชั่วโมงหลับสนิทจริงๆอันหชั่วโมงจาน้นจะเริ่มขยับตัว<ม>พราะนอนท่าเดียวจะไม่ได้ตลอดไงพอขยับตัวปุ๊บเรารู้สึกตัวทันทีเลยว่านี่เราขยับตัวแล้วรีบลุก โดดออกมาจากที่นอนเลยทำไมถึงต้องโดดหากนั่งอยู่นานมันจะลบฟุบใส่หมอนต่อ <c oughs> รีบโดดออกจากที่นอนเลยออกมาเดินจงกรมเดินให้มันตื่นไ อ, อ้อาการสลึมสลือนี่ให้มันคลายไป <c oughs> เดินนั่งสลับนั่งเดินสลับกับนั่งเดินสลับกับนั่งแบบนั้น <c oughs> จนร่างกายอ่อนล้าคืนได้นอนน้อยนอนน้อยมากเลย ร่างกายก็อ่อนล้าอ่อนล้าอ่อนล้าลงพอตัวเองหมดเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรบำเพ็ญเพียรหน้าที่หรือว่ากิจในการบำเพ็ญเพียรมันไ ม, ไม่ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันอีกแล้วจากนั้นมานอนเลยทีนี้ไม่ผิดอันนั้นอะ่ะไม่ผิดเพราะเราได้เรียนรู้มาแล้วอะไรก็ตามที่เราได้เรียนรู้มาแล้วมันไม่ผิดแต่อะไรก็ตามที่เราไม่รู้จักมัน แม้เป็นสิ่งที่ดีก็ถือว่าผิดเพราะเราไม่เคยรู้จักสิ่งที่ดีเลยว่ามันดียังไงหรือมันไม่ดียังไงเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยมันขาดเสีย อ, อย่างเดียวคือขาดความรู้อย่างอื่นนี่มันไม่มีอะไรผิดผิดตรงที่เราไม่รู้มันเราไม่รู้จักชีวิตที่แท้จริงเราไม่รู้จักธรรมชาติรอบข้างที่แท้จริงและเราไม่รู้จักสัจธรรมคือความเป็นจริงเราไม่รู้จักทุก <S <S <S เราไม่รู้จักเหตุเหตุของการมีกายมีใจคืออะไร อะไรทำให้มีกายมีใจซึ่งเป็นตัวทุกข์อยู่เนี่ยความไม่รู้เป็นเหตุใช่ไหมความไม่รู้นั้นมันเป็นมูลลากอยู่แล้วแต่พุทธเจ้าทรงสแสดงตันหาสามงไม่ในธรรมจักรปปนาสูตรสแสดงแนละ้วสุดตรงเป็นยังไงพงศ์ทรงสอนแล้วคือเราก็ใช้ชีวิตตามปกติแม้จะมีความสุดตรงอยู่แต่ว่าหนึ่งเรายังยึดถือสารัะประโยชน์ทางศาสนาไว้อยู่นั่นคือทางสายกลางให้ทานรักษาศีล ทาสมาธิและเจริญปัญญานี่คือเราจะเดินทางสายกลางมันจะไม่ลําบากเปล่าและก็จะไม่ทําตัวเองให้พัวพันอยู่กับกรรมาสุขมากแต่เราแต่ไม่ปฏิเสธนะการมสุขนะั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ปฏิเสธนะแต่อยากติดถ้าติดมันสู่ตรงทําตัวเองให้ลำบากเปล่าเหมือนกันยามบัวแต่ไปทําการงานจนเขาเรียกว่าอะไรหาเงินจนไม่มีเวลาหาตัวเองันที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดมาเพื่อเตือนสติเป็นคติธรรม หาแต่เงินการหาแต่เงินทําการงานหาแต่เงินแต่ไม่มีเวลาหาตัวเองบอกจะไปหาทําไมในตัวเราอยู่ที่นี่ไปหามันทําไมเนี่คือการลืมลืมลืมลืมตัวเองว่าตัวเองที่แท้จริงคืออะไรเราต้องหาตัวที่แท้จริงของเราในพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้หาอย่างเงี้ยทีนี้สาเหตุของตัวทุกเนี่ยมาจากตัณหาในธรรมมาจากับพบนวสูตรตัณหาจริงก็คืออวิชชานั่นเองเพราะไม่รู้จึงอยาก เพราะอยากจึงยึดเพราะยึดนั่นเองจึงเป็นเหตุให้เกิดการกระทําเพราะกระทำนั่นเองจึงเป็นกรรมเพราะกรรมนั่นเองจึงก่อให้เกิดการวนเวียนเพราะชีวิตเป็นไปตามกรรมเกิดตายเกิดตายเป็นไปตามวิถีแห่งกรรมแหการกระทําของตัวเองทีนี้เมื่อพระองค์ทรตัดวัตันหาสมเนี่ยการมตัณหาเพราะวัตตนหายิวเาวัตันหาเป็นมูลเหตุก่อให้เกิดมีกายมีใจเพราะเราเกิดมาจากตัณหาเนี่เกิดมาจากสิ่งที่มันส่งผล อย่างลากลึกอวิชชาเนี่ยเป็นลากเง้ามันอย่างลากลงแล้วอย่างลากลงตันหานี่เป็นเป็นตัวแตกหนอออกใบตัวตันหาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวตันหานี่เป็นทําให้คเครียกว่าตัวยางเหนียวน่ะที่มันจะก่อเกิดเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยคือมูลเหตุแห่งเรียกว่าเป็นเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อตัวตันหามันก่อเกิดขึ้นในใจมันจะทําสั่งการให้เรา แสวงหาสิ่งที่เราชอบใจและสั่งการให้เราปฏิเสธสิ่งที่เราไม่ชอบใจทําอย่างนี้มาโดยตลอดในชีวิตใช่ไหมล่ะเมื่อมันสั่งการให้เราชอบใจไม่ชอบใจอยู่อย่างนี้ชีวิตเราจึงวิ่งไปอยู่ในข้างขอ ง, งความสุขความทุกข์หรือว่าไปยึดติดในสิ่งที่เราพอใจไปปฏิเสธเสียสิ่งที่เราพอไม่พอใจอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็พอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจ Shakes. จิตเราเคยเป็นกลางไหม จิตเราเคยอยู่เฉยๆกับสิ่งที่พอใจไม่พอใจไหมอยู่กลางๆเนี่ยไม่เคยเราจะไปตามเนี่ยพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจถามว่าอารมณ์แห่งความพอใจไม่พอใจเนี่ยมันจะต้องเกิดกับจิตคนใช่ไหมแน่นอนว่ามันต้องมีมันต้องเกิดเมื่อเป็นสิ่งที่มันต้องเกิดเป็นสิ่งที่ต้องมีทั้งพอใจและไม่พอใจปัญหามันไม่อยู่ที่สิ่งที่มาเข้ามาสัมผัสกับเราว่าเป็นสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจปัญหาอยู่ที่ว่า เรามีสติรับรู้ในสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจหรือเปล่านั่นหมายถึงว่าอย่าทําตามอํานาจของตันหาที่พยายามสั่งการให้เราไปพอใจแล้วปฏิเสธอีกสิ่งหนึ่งแต่จงทําจิตของตัวเองให้ตั้งมั่นและรับรู้สิ่งที่ผ่านเข้ามาทั้งพอใจและไม่พอใจนั้นสัมผัสกับตัวเองหากสิ่งใดมีประโยชน์จเจริญขึ้นหากสิ่งใดมีโทษละทิ้งแค่นั้นเอง ไม่ต้องใช้ตัณหาตัณหาเรใช้ความอยากแต่ผู้เย้าให้เราใช้สติพี่นานรับรู้แล้วว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาทั้งดีและไม่ดีดีบางอย่างมีประโยชน์ประโยชน์ในเรื่องอะไรประโยชน์ในเรื่องของการฝึกสติอันสิ่งที่เราไม่พอใจนะ่นะจะทำให้เรามีสติได้มากกว่าสิ่งที่เราพอใจพอใจแบบมีประโยชน์พอใจแบบไหนพอใจมาให้ทานพอใจในการรักษาศีลพอใจในการเจริญปัญญาเนี่ย พอใจในสิ่งเหล่านี้เป็นพอใจที่มีประโยชน์เนี่ยงไหมพอใจอยู่กับความน่าเพลิดเพลินน่าสนุกสนานน่าลื่นเลิองในโลกอันนั้นเป็นความพอใจที่ไม่มีประโยชน์อย่าทําตามความอยากละได้ก็ละหากละยังไม่ได้ก็สแสวงหากรรมสุขแต่อย่าทิ้งสาระประโยชน์ในทางศาสนาของตนเองหากเราฝึกใจจิตอย่างนี้ได้เราก็จะดับมูลเหตุ แห่งความทุกข <Gee Stupid>. ์ที่จะเกิดขึ้นคือไม่ทําตามความอยากใช้ความรู้ความรู้ก็มีหลายระดับนะสติก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งแต่เป็นการรู้แบบระลึกรู้ภายในตนวิชาก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งก็เป็นความรู้ในระดับของการเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้คําว่าศึกษาเรียนรู้หมายความว่าศึกษาเรียนรู้อารมณ์ไม่ใช่ไปสื่อสาเรียนรู้หลักคําสอนในตำราการศึกษาหลักคําสอนในตําราเขาไม่เรียกวิชาอันนั้นเขาเรียกว่าการเรียนรู้แบบทั่วๆไป รู้ตำรารู้คำภีรรู้แบบวิชาการอะไรพวกนี้แต่วิชาครับว่าวิจักขุนอุดะปาริยานังอุาปาริวิชาอุดะปาดิวิชาในการเรียนรู้อารมณ์ว่าจิตเวลารับอารมณ์เนี่ยมันปอเกิดอะไรทําให้จิตเราเป็นไปอย่างไรและอารมณ์ครอบงําเราได้หรือไม่และจิตของเราคุกคีอยู่กับอารมณ์นานเท่าไหร่และเมื่อมันจางคายหายไปแล้วจิตเราเป็นอย่างไรเนี่คือการเรียนรู้แบบวิชาไงใช่ไหมสติคือระลึกรู้ในกายเวลากระทบ กับสิ่งที่พอใจหรือไม่พอใจกายตั้งมัน่นจิตตั้งมัน่นอย่างเงี้ยแม้จะมีอารมณ์บางอย่างบีบคั้นจิตก็ให้ตั้งมัน่นเพื่อรับรู้อารมณ์เพราะอะไรอารมณ์เป็นอีกแบบหนึ่งจิตเป็นอีกแบบหนึ่งพุทธเจ้าบอกให้ตั้งจิตเราไม่สามารถบังคับอารมณ์เพราะอารมณ์มันแปรปรวนไปไ ด, ได้ตลอดทั้งดีและไม่ดีแต่เราสามารถตั้งจิตได้เราบังคับจิตไม่ได้แต่เราตั้งมันได้เพราะเราบังคับมันไม่ได้เราจึงต้องตั้งมันฝึกให้มันตั้งโดยเอาสติเป็นที่ตั้ง ที่ตั้งคือเอาสติเข้าไประลึกรู้เข้าไปทะลึกรู้ว่าจิตเราเป็นอย่างไรการที่เราเข้าไประลึกว่าจิตเราเป็นอย่างไรในเวลาเนี้ยมันก็ตั้งแล้วนะมันจะเริ่มตั้งแล้วตั้งรู้ตั้งในการรับรู้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วการที่โบงทรงสอนหลักธรรมแต่ละหลักเนี่ยสอนเพื่อให้เราเกิดความรู้แจ้งภายในตัวเราหนึ่งเราคือตัวทุกข์เหตุคือความอยากก่อให้เกิดทุกข์การดับไปของทุกข์คือเราไม่ทําตามอนัจแห่งตัณหาความทุกข์ ก็เป็นการดับไปของความทุกข์คือเข้าไปรู้อวิชาก็ดับกระบวนการแห่งความทุกข์ก็ดับแต่ตัวทุกข์ที่เป็นตัวปัจจุบันยังมีอยู่รู้ยังไหมตัวทุกข์ที่เป็นตัวนี้ยังมีอยู่มันต้องมีแต่ทุกข์ใหม่ที่จะเป็นทุกข์เพิ่มจากทุกข์เดิมที่เกิดจะไม่มีและเมื่อเรารู้ทุกข์รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุและเราละตัณหาได้นั่นแหละคือทางดับทุกข์นี่คือทางสายกลางเพราะฉะนั้นบนพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิ ในการดําเนินปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลทสาสมาธิและปัญญาจะต้องรู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จึงจะเป็นมัชชิมาปฏิปทาทางดําเนินสายการทําไมเราต้องไม่ให้ทานชีวิตมันมีความทุกข์ทำไมต้องรักษาศีลหากไปสู่อบายต้องทุกข์เพราะศีลจะยกเราไปสู่พ้นจากอบายใช่ไหมละ่ะศีลที่เรารักษาจะพาเราพ้นจากอบาย รักษาได้ข้อหนึ่งสองข้อหรือกี่ข้อก็ตามเจตนาสแรงกล้ารักษาวันในวันนี้เป็นพุทธบูชาด้วยและเรามองเห็นว่าทุกในอนาคตการข้างหน้าที่จะมีรอเราอยู่ในอบายภูมิทุกขติวิบารนรกเพื่อนี้เกิดเป็นพิภีศาสุลกัยมันยังรอเราอยู่เราก็สมาทานใชมันมีทุกขคือเห็นทุกแล้วจึงงดเว้นทําไมถึงทําสมาธิเพราะเห็นว่าจิตค้อยตามอารมณ์มันจะทําให้เรามีความทุกข์ก็มาทําจิตให้ตั้งมั่นไม่ค้อยตามอารมณ์เพราะมันมีเป็นความทุกข์ ทำไมต้องเจริญปัญญาหากเราไม่สามารถดับตันหาในจิตเราได้เราก็ไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้อย่างท้าวบอลในแค่สงบใจเท่านั้นเองมีสมาธิาก็ได้แค่สงบใจเราต้องทําลายตันหาให้หมดสิ้นออกจากจิตถึงจะสามารถพ้นจากทุกข์ทาวบอลนั่นคือเราเห็นทุกข์เป็นลําดับลําดับลําดับลําดับเราจึงเห็นประโยชน์ของการให้ทานเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลเห็นประโยชน์ของการทําสมาธิเห็นประโยชน์ของการเจริญปัญญาแล้วจิตเราจะวิบูธ หลุดพ้นมีดวงตาเห็นธรรมพ้นออกจากกระบวนการที่จะนำเราไปสู่ความทุกข์ทั้งมวลนี่คือสารประโยชน์ที่เราจะได้ในความสําคัญที่มีวันอาสารหาบูชาเป็นเครื่องทำให้เราระลึกถึงเหตุการณ์ปรากฏการณ์และสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในเวลานั้นเป็นสถานการณ์ที่ทาให ความเป็นพุสธศานาซึ่งเป็นประดุจดังแสงสว่างนั้นสองทางเดินให้กับชีวิตคนพุทธเจ้าทรงพารนาอยู่ว่าสิ่งที่จะตั้งมั่นลงในโลกนี้ได้และสิ่งนั้นจะทำลายความงมงายได้สิ่งนั้นจะต้องเป็นความจริงเท่านั้นเรียกว่าสัจจะเพราะสัจจะเท่านั้นที่จะทำลายความงมงายทั้งหลายทั้งปวงได้หา ศาสนาใดที่มีความงมงายหากสังคมใดที่มีความงมงายฝังลากลึกไว้อยู่ในรูปแบบของศาสนาและความงมงายเหล่านั้นจะถูกทําลายไปก็ต้องถูกทําลายไปด้วยความจริงคือสัจจ์เท่านั้นที่จะทําลายความจริงศาสนาที่มีอยู่ก่อนหน้าพระองค์มีอยู่6ศาสนาซึ่ง เป็นศาสนาที่ไม่ได้ทําลายความงมงายมีแต่ศาสนาที่เพิ่มความงมงายแค่สร้างความงมงายเพราะฉะนั้นพุดถศาสนาเออดึงหูกันไอ้เฮ่อเออที่เฮาเฮากันอย่าดึงกันนะคนข้างๆดึงหูกันเมียกับสามีกับภรรยายิ่งดึงกันดีๆเออจะดิแหน่สะดุ้งเลยน ะ, ะฟังเทศทีไรแล้วมันจะหลับทุกทีเอ็นเป็นยังไงกันเนาะ เทศนี้เป็นยานอนหลับหรือยังไงหรือคนเทศเทศไม่ดีคนเทศเทศวิชาการมากไปหรือเปล่าหรือมันเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของหนังท้องเอ๊ะหนังท้องกับหนังท้องเกี่ยวอะไรกับหนังตามันทุกข์อ๋อถูกต้องมันไม่สามารถคงทนขาววอนในตัวเองได้มันเลยทุกข์เพื่อเลยพลอยที่จะง่วงไง ดึงหัวไว้ทีนี้เอ๊ะบางคนก็บอกว่าเอา๊ะพระอาจารย์แสดงธรรมนี่แสดงธรรมไปด้วยหัวเราะขบขันกับโยมไปด้วยดูไม่ท่าไม่ค่อยเข้าท่าเข้าทีเขาว่าบางทีนะดูเหมือนว่าการแสดงธรรมไม่ไม่สํารวมคือพระอารมณ์ดีไม่ได้เหรอเวลาเราจะทําให้คนอารมณ์ดีเนี่ยมันทําไม่ได้เหรอ ก็ยิ้มกับเขาหัวเราะกับเขาไปเนี่ยมันจะเสียหายตรงไหนหรือพระจะต้องทำหน้าเข่งขึมตลอดเลยเหรอตั่งใจฟังนะโยมนะอย่าหลับนะอย่างนี้ต้องเข่งขึมตลอดใช่ไหมมันก็แปลกอยู่เหมือนกันบางคนก็ต่อว่ามาเหมือนกันว่ามันยิ้มขบํำไปกับโยมอย่างนี้ดูถ่าไม่ค่อยเข้าที ถ้าเป็นอย่างนี้มหาสมปองทําไมดังเหลือเกินคือสมัยพุทธกาลนี pues nope. ่นะภาษาลิบุตรนี่ถือว่าเป็นอัครสาวกเบื้องของพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นพระอรหันต์เวลาภาษาลิบุตรอยู่กับเด็กเนี่ยท่านก็เล่นเหมือนเด็กเลยนะเล่นเหมือนเด็กนะหัวเราะกับเด็กเล่นกับเด็กเด็กพาเล่นอะไรก็เล่นเด็กจะขี่คอท่านก็ให้ขี่คอเด็กจะตบหัวท่านก็เด็กก็ตบหัวท่านะ ลูกหัวท่านเล่นหัวรถล้มอย่างเงี้ยเด็กมาลูปเล่นหัวท่านก็ใช้เล่นกับเด็กไปจนเขาบอกว่าเอ๊ะภาษาลิบุตรนี่เป็นถึงอัครสาวกเล่นกับเด็กพร่ำเป็นเหมนเด็กเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พระพเจ้าก็เลยบอกว่าพาเลียเจ้าไม่มีตัวตนตัวตนของท่านไม่มีอะไรที่จะไปยึดถือในตัวตนของท่านไม่มีเป็นอย่างนั้นเด็กจะขี่ล้ังจะขี่คออะไรก็ใช้แต่เด็กพวกนี้ยโตมาท่านเอามาบวชหมดเลย สั่งใช้งานมันหมดเลยทุนเนี่ยมาสืบต่อศาสนาเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มาบวชเนี่ยกรรมก็จะติดตัวไปเอามาบวชทําหน้าที่ในทางพุทศาสนาสืบต่อเพระภาษายิปเอาเด็กมาบวชได้หลายคนแล้วนะท่านเล่งกับเด็กแต่เอาเด็กมาบวชได้นะนอกเรื่องไปแล้วนะเข้ามาสู่เรื่องประเด็น เอียลืมประเด็นไปแล้วตรงไหนไหนประเด็นอยู่ตรงไหนเนาะลืมไปแล้วมี6ศาสนานครับเมีหกศาสนาพูดได้เจ้าก็เล็งดูว่าศาสนาที่จะตั้งมั่นลงในชมพูทวีปได้ศาสนานั้นจะต้องประกอบไปด้วยสัจจะหากศาสนาที่ตั้งขึ้นมาไม่มีสัจจะแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่คนจะมาประพฤติปฏิบัติตามได้เพราะ หกศาสนานั้นเหนียวแน่นที่สุดแล้วเป็นความเชื่อที่เหนียวแน่นเชื่อว่าอะไรรู้ไหมเชื่อว่าบุญไม่มีบาปไม่มีา <c oughs> ส, สนานหนึ่งศาสนที่สองเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีพบการเกิดพบใหม่ไม่มีศา ส, สนานที่สามเชื่อว่าการทำดีไม่มีผล <c oughs> การทำชั่วก็ไม่มีผลทุกคนตายแล้วแล้วเลยไม่มีผลอะไรทั้งสิน้น ความเชื่ออันที่สามความเชื่ออันที่4ีเชื่อว่าไม่มีมูลเหตุใดใดเลยคือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยคนเราก็เกิดมาก็เกิดมาอย่างนั้ น, นใครจะฆ่ากันก็ฆ่ากันไปเลยหากการฆ่าคือการเอาเอามีดแทงกันอย่างนี้เขาไม่ได้เชื่อว่าเป็นการทาลายชีวิตแต่เป็นการสอดมีดเข้าไปในท่าสีดินน้าไฟลมเท่านั้นเอง ถ้าสีดินน้ำสไปรมจะถึงความแตกก็แตกไปอยากจะฆ่ากันก็ฆ่าไปอย่างนี้อันนี้ความเชื่อและความเชื่อนี้ก็ฝังลากลืกอยู่นะที่ประเภทตัดคอกันเนี่ยเพื่อพระเจ้าเพื่ออะไรเนี่ยก็มีอยู่แต่วที่อื่นแล้วก็ความเชื่อของสัจจนิคนสัจจะนิคนมีความเชื่อเทียบเทียบ เ, ยบเียงกับพุทธิคือใครบ้า เทียบเียเคียงๆกันคือเรียกว่าวลอกเรียนผู้ธศาสนาไปในส่วนหนึ่งนะพูดง่ายๆนิคนเนี่บอกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงแต่อีกด้านหนึ่งก็บอกว่าบางครั้งก็เที่ยงเ <c oughs> น, นี่สอนยังไงอุนนิคโคนเนี่ยคือทุกสิ่งไม่เที่ยงพยายามจะสอนให้ให้เข้ากันกับผู้ได้เจ้าเพื่อเรียกศรัทธาในกลุ่มที่เชื่อในความไม่เที่ยงไงแต่สอนว่าบางอย่างก็เที่ยงเพื่อดึงศรัทธาในกลุ่มที่เชื่อว่ามันมีตัวตนในคขอบเที่ยงตรงนี้ย ก็เลยเขาเรียกว่าอัมมาลาวิเคปะเขาเรียกว่าสายแสนะถ้าเขาว่าเที่ยงก็เที่ยงถ้าเขาว่าไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงไม่ต้องไปยึดถืออะไรมากเดี๋ยวเที่ยงก็เที่ยงไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงไปตามเขาเธออะไรแบบนี้สอนลูกศิษย์อย่างนั้นจนลูกศิษย์ได้เถียงกันตอนที่สัจการนิคนเนี่ยตายไปเถียงกันเป็นยกใหญ่เลยเพราะสาวกกลุ่มหนึ่งรับคาําสอนมาว่าครูบาอาจารย์สอนมาว่าเที่ยงศาสดาเราสอนว่าเที่ยง สาวกอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าสัจจการนิพนธ์สอนไม่เที่ยงต่างหากเราเสียสอนเที่ยที่ไหนก็เถียงกันมาแล้วเนี่รับคําสอนจากสัจจการนิพนธ์เองกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าเล่าเนี่ก็รับคำสอนจากสัจการนิพนธ์เอยก็เทียงกันมาเทียงมาจนแตกกันเป็นสองฝ่ายพุทธศาสนาเราเนป็นศาสนาแห่งสัสจจพุทธเจ้าจึงสอนสิ่งที่เป็นสัจจลงในท่ามกลางรากฐานของศาสนาที่ฝังลากลึก ที่เป็นไปด้วยความงมงายในเวลานั้นขนาดงมงายคนยังยึดถือยึดมั่นกันแบบโอ้เหนียวแน่นกันมากเลยขนาดความงมงายนะแสดงว่าความงมงายนี่เหนียวแน่นกว่าสัจจ์มากนะสัจจะแน่จะสิ่งที่จริงอยู่แต่ก็ไม่เหนียวแน่นในใจคนเพราะสัจจะมันเข้ากับสิ่งที่งมงายไม่ได้หากมีสัจจะความงมงายจะเหือดหายไปหากมีความงมงายสัจจะจะไม่สามารถแทรกเข้าไปในจิตในใจของคนคนนั้นได้เพราะนั้นคนที่มีความงมงายจะเอาเหตุผลไปพูดเท่าไหร่ก็ตามพูดไปเถอะ ความงม ง, งายไม่สามารถหลุดออกไปจากจิตใจได้พรนะเจ้าทรงสแสดงสัจจะขึ้นมาในโลกปรากฏว่าพราหมณ์ผู้มีปัญญานะพรามณ์ผู้มีปัญญารู้ธรรมของพระอง์ประจวบัีทั้งห้านี่รู้โอสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเป็นความงม ง, งายทําตัวเองให้ลําบากเปล่าประพฤติตัวเองให้ปวพันอยู่ในการมาสุขคิดว่าจากบรรลุผลด้วยสิ่งนั้นยึดอย่างเดียวเลยนะยึดว่า ต้องทำตัวเองให้ลำบากเท่านั้นกิเลสถึงจะไม่สามารถอยู่ได้กับอีกคนหนึ่งบอกว่าต้องสุขให้เต็มที่เดี๋ยวมันก็เบื่อไม่เองยึดตลอดว่าไม่มีวิธีอื่นดอกมีแต่สองวิธีเนี้ยถึงจสะสำเร็จมรรคผลจึงมีการปฏิบัติ2รูปแบบเนี้ยสุดโต้ขึ้นมาแต่ทางสายกลางไม่มีใครรู้ไม่มีใครคิดไม่มีใครทานอกเหนืออไปจากนี่ดูภาพนี้แล้วเหมือนกันกับภาพในปัจจุบันพุทธศาสนาของเรา ที่เขาโลภความเห็นมากต้องทําอย่างนี้เท่านั้นต้องมีพระพุทธรูปเท่านั้นถึงจะเป็นชาวพุทธหากไม่มีพุทธรูปไม่เชื่อว่าเป็นชาวพุทธ <c oughs> คือนอกเหนือออกไปจากนี้ไม่ได้ยึดพอยึดว่าต้องมีพุทธรูปเท่านั้นถึงจะเป็นชาวพุทธและหากใครมีพุทธรูปมากถึงจะแสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธบ่งคนห้อยเต็มเราคือชาวพุทธเพราะห้อยพระเต็มถามว่า มันคืออะไรคือคือความงมงายหรือความเป็นสัจจ์นั่นแหคือความงมงายเราตอบกันน้มาเป็นความงมงายเพราะพวกเราตอบกันได้แต่คนที่เขาค่อยเต็มคอเขาไม่ได้บอกว่าเขางมงายเขาบอกว่าแล้วเขาเจ๋งเขาเป็นพุทธศาสนิาชนที่แท้จริงอัตมากําลังจะบอกว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงสัจจะเพื่อทํำลายความงมงายปัญจพักคี ทำลายความงมงายที่ยึดถืออยู่ในเวลานั้นแล้วยึดเอาทางสายกลางเป็นเครื่องดําเมินว่า ก, การเห็นทุกกายเนี่ยเป็นทุกใจนี้เป็นทุกพระองค์จึงบอกว่าดุขขัางอริยสัจจงนี้คือทุกมีอะไรบ้างชาติปีทุกขาชาลาปีทุกขามรณมปิทุกขังโซกะปริเดวะดุ ข, ขะโดมณัตอุปายาตเนี่ยพระองค์ออ ตรงทําความเข้าใจเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ความโศกเป็นทุกข์ความพิลิพิไลลาพันธเป็นทุกข์ความคับแค้นใจเป็นทุกข์มีใครมีความคับแค้นใจแล้วไม่ทุขไม่มีความทุกข์บ้างเพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าทุกนี้เราจะต้องกําหนดรู้และทําความเข้าใจมัน่นมูลเหตุก็คือความอยากที่ฝังแน่นฝังแน่นอยู่ในภายใน ซึ่งมันเป็นตัวกําหนดให้เราได้ยึดถืออะไรบางอย่างไว้และสิ่งที่เรายึดถือไว้นั่นก็คือเรายึดถือความไม่รู้ความไม่เข้าใจนั่นเองซึ่งก่อให้เกิดความอยากเราอยากในสิ่งที่เป็นสุขปฏิเสธในสิ่งที่เป็นทุกข์พงจึงสอนให้เราทําลายความอยากนั้นที่มันฝังแน่นอยู่ในภายในคือความอยากในภายในปัญญากวีมองตามเห็นตามเห็นตามในสิ่งที่องค์ทรงสอนอ๋อไอตัวการมันอยู่ภายในมันไม่ได้อยู่ไปทําตัวเองให้ลําบากเปล่า ไม่ได้ไปนั่งบนน้ําไม่ได้ไปเอาไฟลนย่างกิเลสตัวเองย่างย่างตัวเองด้วยไฟและกิเลสจะเหงื่อแห้งไปอย่างละทิปบูชาไฟไม่ต้องไปไปให้ไปถอดเสื้อผ้าออกทนหนาวทนร้อนทนเปียกอยู่เดี๋ยวกิเลสจะหมดไปไม่ต้องไปทําอย่างนั้นแต่เข้าไปยอมรับความทุกข์และเห็นตัณหาอยู่ในใจเราว่าตัณหามันทํางานบนเวียนอยู่เป็นเชื้อหมักดองอยู่ภายในแล้วเราทําความเข้าใจกับ ภาวะปัจจุบันในความเป็นจริงของการของการเกิดการแก่ความเจ็บความตายความพัดผ้าความไม่ได้ดั่งใจหมายความโศวความพิริพิไลลำพันความคับแค้นใจสิ่งเหล่านี้ปรากฏว่าเป็นความทุกข์สรุปแล้วคือความไม่สบายกายไม่สบายใจนั่นแหละเรือว่าเป็นความทุกข์เป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นสัจจะพอรู้แล้วว่าทุกข์เป็นสัจจะปั๊บไม่ปฏิเสธเลยเพราะมันเป็นสัจจะไม่ปฏิเสธแล้วพอไม่ปฏิเสธทุกข์ปั๊บตัณหาก็หายไปเองเห็นไหมมันเป็นความจริงก็เราก็ไม่ต้องใช้ตัณหาอยู่แล้วตัณหาก็ดับไปเองเมื่อตัณหาดับไป เกิดแง้งขึ้นมานินโรธคือการดับไปของตัณหามันแง้งขึ้นมาพอรู้ทุกข์แล้วก็เข้าใจความทุกข์โดยความเป็นสัจากตัณหาละไปนิโรธแง้งขึ้นมานี่แหละคือมาเวลาเราเดําเนินชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยปัญจุันเมื่กี้ท่านห้าหนดลอบรู้ลงไปและก็ทบทวนชีวิตที่เป็นมาจนเกิดความกระเจางแก้งกระแจงแก้งกระแจงแก่ ง, ก ง, กงมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าจึงเห็นสภาพเห็นความเป็นชีวิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับจึงได้ทราบว่า ทุก hmm. แม้จะเกิดขึ้นก็เป็นเพียงแค่สิ section section min, ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเท่านั้นเองและสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งนั้นก็ดับไปด้วยตัวของมันเองเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นด้วยตัวของมันเองสิ่งนั้นก็ดับไปด้วยตัวของมันเองเราจะต้องไปทำอะไรกับมันไหมไม่ต้องได้เป็นเพียงแค่รู้ทุกรู้เหตุให้เกิดทุกรู้ความดับไปของมันแล้วก็รู้ว่าการรู้ทุกรู้เหตุและก็รู้ความดับไปของมันนี่แหละคือทางดับทุกข์และวารู้มรรคนั่นคือทางสายกลางที่พระปัััจจวคีอสาาได้ใน ขณะที่วงสุกแสดงธรรมเทศนาพวงบอกว่าการจับทางสายกลางนี้ได้แหละเป็นพาวิตังเรียกว่าเป็นของควรภาวนาขึ้นหรือว่าเจริญขึ้นภาวนาขึ้นมาเจริญมันขึ้นมาคือเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกเห็นยยำยำซ้ำซอยู่เรื่อยเืยเรื่อยเืเื่ยเห็นทุกเกิดดับทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับทุกเกิดทุกดับอย่างเนี้ยวนเวียนอยู่ในจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดมันจะมีสภาวะหนึ่งที่พ okay? ้นจาาากกกกรรเิดด เนี่ยจิตจะสัมผัสกับพระนิพพานเนี่ยจะรู้อริยสัจสีพร้อมกันแล้วก็ทําหน้าที่ในการละสักกายทิฏฐิวิจิกิจชาศิลปธาตุปรามาจะมีอารมณ์ในจิตอย่างหนึ่งที่ผุดปรากฏว่ายังกินจิสมุทได้ยังทำบังสัม บ, บันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่คืออัธยาศัยในจิตของพระโสดาบันที่ต้องเกิดในดวงจิตทุกดวงของบุคคลผู้เข้าถึงโสดาบันแล้ว จะต้องมีอัธยาศัยในจิตอย่างนี้ติดอยู่ภายในความเห็นตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ไม่มีความคิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องไหนเลยเห็นแต่ทุกอย่างก็ตามเกิดดับเป็นธรรมดาเกิดดับเป็นธรรมดาเกิดดับเป็นธรรมดาสุขเกิดขึ้นก็เป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาทุกข์เกิดขึ้นก็เกิดเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาโกรธเกิดขึ้นก็เกิดเป็นธรรมดาดับไปธรรมดาเจ็บเกิดขึ้นก็เกิดเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาความไม่สบายเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา บางคนบอกอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้เวลาความเจ็บป่วยเกิดขึ้นไม่ต้องไปรักษาทีรักษาอันนั้นอันนั้นคนที่ขาดปัญญาคือคนยังไม่เข้าถึงเดินทางสายกลางไม่ถึงไงก็เขบอกว่าถ้าอย่างงี้ปล่อยเป็นธรรมดาไม่ต้องไปรักษามันถามว่าอย่างนั้นก็ได้นะก็ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่เป็นการทําแบบไม่มีปัญญาแต่ก็ต้องเริ่มต้นจากความไม่มีปัญญาก่อนอาตมาเนี่คนหนึ่ง ถูแมลงปองต่อยปวดมากไม่ทายาปล่อยให้ความปวดเจริญเต็มที่พอมันถึงที่สุดของมันก็คลายของมันเองแล้วก็ดับแล้วก็หายไปเป็นธรรมดาอ๋อมันความปวดเกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองเมื่อมันเกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองมันก็ดับลงไปด้วยตัวของมันเองอย่างเงี้ยเราก็จะทราบความจริงแล้วก็เป็นเครื่องต่อสองทางปัญญาเราก็จะเข้าใจมันจะทําให้เราไม่หลงนี่คือความจริงเป็นสัจจะ และนี่คือความสำคัญอันหนึ่งที่ทําให้พุทธศาสนาปาักหลักอยู่ลงอยู่ในเมืองอินเดีย <c oughs> เพราะอะไรหนึ่งพระเจ้าตัสสรู้ถ้าพงไม่ทรงสดแสดงพระธรรมเกิดประโยชน์ไหม <c oughs> สองพระธรรมที่พงทรงสดแสดงหากไม่มีใครรู้แจ้งเกิดประโยชน์ไหม <c oughs> สมการที่พงทรงตัสรู้และสดแสดงธรรมะ แล้วเกิดผู้รู้ธรรมนั้นเป็นเครื่องแสดงออกถึงสักขีพยานแห่งการบรรลุธรรมที่แท้จริงของพระองค์ว่าธรรมของพระองค์นั้นสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ไหมได้ใช่ไหมปฏิบัติตามได้แล้วพวกเราปฏิบัติตามได้หรือยังยั ง, ยงได้ได้บ้างเออต้องว่าได้บ้างนี่พอดีเออถ้าได้บ้างในทางสายกลางถ้าบอกว่ายังมีสุดตรงนะได้บ้างอาพอได้บ้างทีนี้ สรุปวันสําคัญในวันอาสา ร, ารบหบูชาก็คือประโยชน์ที่เราจะต้องได้รับคือการ eyes, totally right รูร้จักทุกขภายในตัวเรารู้จักเหตุให้เกิดทุกภายในตัวเรารู้จักความดับไปของทุกภายในตัวเราและรู้จักว่าเราจะปฏิบัติต่อทุกขนั้นคือข้อมักนั้นข้อมักนั้นเป็นข้อปฏิบัติให้เราปฏิบัติต่อทุกนั้นอย่างไรปฏิบัติต่อทุกโดยการยอมรับปฏิบัติต่อเหตุให้เกิดทุกโดยการละมันปฏิบัติต่อความดับไปของทุกโดยการทําให้แจ้งนี่แหละคือการดําเนินมักที่จะต้องเจริญขึ้น วันอาสาลหบูชามีความพิเศษสําคัญก็คือเป็นวันที่พระองค์ทรงแสดงปฐมมเทศนาครั้งแรกในโลกและปฐมเทศนานั้นทําให้ผู้รับฟังนั้นเกิดเป็นผัสลมขึ้นครั้งแรกในโลกและเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบสจึงเป็นวันที่เขาเรียกว่าเป็นวันของพระรัตนตรัยด้วยวันนี้เป็นการทําให้ รัตนะทั้ง3นั้นครบองค์ประกอบเพราะพุทธศาสนาจะต้องประกอบไปด้วยองค์ทั้ง3เนี่ยคือพุท ธ, นะธรัตนะธรรมัตนะสังฆลตนะัตนาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเห็นความสำคัญในวันอาสาระบูชาแล้วได้ปารภการทำบุญให้ทานใครเจตนางดเว้นในศีลก็ขออนุโมทนาใครตั้งใจที่จะฝึ ก, กจิตสงบอารมณ์เป็นสมาธิ ก็ขออนุมโมทนาและใครจะเจริญปัญญารู้ความทุกข์ดูเหตุที่เกิดทุกข์ดูความดับไปของทุกข์แล้วก็รู้ทางดับทุกข์ภายในตัวเองก็ขออนุมโมทนาในสิ่งที่เราได้กระทานั่นได้ชื่อว่าเป็นพุทธบูชาในวันนี้หากบูชาได้ทั้งวันก็จะได้เกิดบุญกุศลทั้งวันทําได้สืบ เ, เนื่องไปอีกเรื่อยๆก็ได้เป็นชื่อว่าพุทธบูชาไม่จําเป็นต้องไปเบียนเตียนที่ไหนอีก พอเราได้ทําการสักกรารบูชาของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูบชาแล้วในโอกาสนี้อาตมาก็จะได้อํานวยพรให้กับพวกเราทุกคนขออํานาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบรนดาลบุญกุศลที่เกิดจากการถวายสังฆทานบุญกุศลที่เกิดจากการรับฟังธรรมเทศนาบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงธรรมของอาตมาขอบุญทั้ง3าประการนี้จงเป็นมหันตเดชานุภาพ อำนวยอวยพรตอบสนองให้ญาติเดิมทุกท่านเป็นผู้ประสบความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุมีอายุยืนนานเจริญด้วยวันณะมีผิวพรรณผ่องใสเจริญด้วยสุขัมีความสุขกายสบายใจเจริญด้วยภาร ะ, ะมีกําลังวังชาสมบุร์แข็งแรงและขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีฤทธิ์มีอนุภาพมาลายสิ่งชั่วรายทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากชีวิตของพวกเราจงบันดานสิ่งดีๆให้เข้ามาสู่ชีวิตนุนนําจิตใจของพวกเราเป็นผู้ เกิดสติเกิดปัญญารู้ทั่วถึงทาคําสอนของพอระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนเข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบนันการและอนาคตการด้วยเธอ